ตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วนะอันนั้นหมายความว่าวันแรกของการเข้าพรรษาของพวกเราก็กาลังจะผ่านพ้นไปหลายคนอาจจะรู้สึกว่าวันนี้เนะ่ยเวลามันผ่านไปอย่างเชื่องช้าหรือเกินอันนี้มักจะเป็นความรู้สึกของคนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆนะโดยเพราะพระใหม่ที่เพิ่งบวช จะรู้สึกว่าแต่ละชั่วโมงนะแล้วก็แต่ละวันนะมันผ่านไปอย่างเชื่องช้าหลายคนอาจจะเกิดความวิตกขึ้นมาว่าอีกต้องเก้าสิบวันนะกว่าจะออกพรรษานะถ้าแต่ละวันมันผ่านไปอย่างเชื่องช้านี่กว่าจะออกพรรษาเนี่คงจะนานมากทีเดียวหลายคนตอนนี้ก็นึกถึงวันออกพรรษาแล้วนะ นะพราะนึกถึงวันศึกใจมันอยากให้ถึงวันศึกเร็วๆนะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่าการมาบวชนะมาใช้ชีวิตนักบวชจะเป็นพระก็ดีหรือแม้แต่นักปฏิบัติธรรมนะที่มาเข้าคอร์สเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยากลําบากนะก็เลยอยากจะให้ วันเวลามันผ่านไปเร็วๆแต่ก็แปลกนะยิ่งอยากให้วันเวลาผ่านไปเร็วๆเนี่ยก็จะยิ่งรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอย่างเชื่องช้าสังเกตว่าเวลาเราจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยถ้าเราอยากให้ถึงที่หมายเร็วๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเชื่องช้ามากเมื่อไรจะถึงสักทีเวลาพูดคุยกับใคร ถ้าเกิดว่าไม่ชอบคนคนนั้นนะอยากจะให้เขานะพูดคุยให้จบแล้วก็ไปเร็วๆก็ยิ่งสูว่าเวลาแต่ละนาทีที่อยู่กับเขาเนี่มันช้านะใครที่อยากจะให้วันเวลาผ่านไปเร็วๆเพื่อจะได้นะถึงวันศึกในที่สุดเนี่ยนะอันนี้กำลังจะนะสร้างปัญหาให้กับตัวเองเพราะว่าจะรู้สึกว่า ยิ่งอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอกับสิ่งที่ตรงข้ามความอยากยิ่งอยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆก็ยิ่งรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แหละเนื่องจากความไม่คุ้นเคยคนที่มาใหม่เนี่ยอาทิตย์แรกนี่มันเวลามันจะผ่านไปอย่างเชื่องช้ามาก เลยเพราะสองสามวันแรกนะแต่หลังจากนั้นก็จะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอย่างผ่านไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าปรับตัวได้ไอตอนที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดความอึดอัดนะเกิดความอึดอัดทั้งในแง่ของอสถานที่เสนาสนะการตื่นการหลับ นะการใช้ชีวิตแต่พอเริ่มคุ้นเคยนะคุ้นเคยในที่นี้คือใจมันคุ้นเคยนะร่างกายเนี่ยมันคุ้นเคยได้ไวอยู่แล้วนะพออยู่ไปได้สักสามสี่วันก็เริ่มปรับใจได้เริ่มมีความคุ้นเคยพอคุ้นเคยแล้วเนี่ยเวลาก็จะเริ่มผ่านไปเร็วนะผ่านไปเร็วขึ้นเร็วขึ้น เดือนแรกนี่ก็ยนหนังสือ่าผ่านไปช้าอยู่นะพอเดือนที่สองเนี่ยโอ้มันจะเร็วมากเลยยิ่งเดือนที่สามเดือนสุดท้ายของการเข้าบรรษาเนี่ยจะยิ่งเร็วนะแต่ถึงตอนนั้นหลายคนจะรู้สึกว่าไม่อยากให้ถึงวันออกพรรษาบางคนอาจจะไม่อยากให้ถึงวันศึกนะเพราะว่าเริ่มนะเริ่มชอบนะเะเริ่มจะเรียกว่าหลงรักสถานที่ก็ได้ หลงรักนะวิถีชีวิตอย่างพระไอตอนจะมาเนี่ยมาที่สุกโตหรือตอนที่จะมาบวชเนี่ยนะรู้สึกกลัวรู้สึกวิตกนะรู้สึกว่ามันมีแรงต้านนะไม่อยากบวชนะแต่ว่าพอถึงวันที่จะสึกจริงๆนี่บางทีมันอาลัยนะเพราะว่าเริ่มพบ ก, กับความสงบ นะที่ตัวเองไม่เคยคิดว่าเราจะพบสิ่งนี้ได้จริงๆก็คือความสงบที่ใจนั่นแหละแต่หลายคนก็ไม่คิกว่ามันมีอยู่แล้วในใจเราการที่ได้มาบวชนะถ้าตั้งใจปฏิบัตินะแล้วก็พยายามที่จะใช้ช่วยให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติให้กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตนะ กับกฎระเบียบนะของที่นี่เนี่ยนะแล้วในสุดก็จะพบว่าจิตใจเริ่มนะเริ่มสงบเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นนะแล้วก็ตามมาด้วยความโปรง่งความเบาความสบายนะนะถึงตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเสียดายว่ามีเวลาบวชไม่นานก็จะต้องรีบศึกษาแล้ว อันนี้เป็นความรู้สึก ข, ของหลายคนนะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปรอหรือไปเพิ่งไปคาดหวังตรงนั้นเลยนะสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าวางใจให้ดีะอย่างแรกที่ควรทำคือว่าเลิกนับถอยหลังนะไม่ต้องเค้าดาวนะว่าเนี่ยโอ้ผ่านไปเลขแปดสิบเก้าวันนะหรือเลขแปดสิบแปดวันส่วนคนที่มาข้อคอสเนี่ยถ้าใครนับถอยหลังเโอ้ต้อง หวันห้าวันสี่วันสามวันเนี่ยถ้านับถอยหลังไปนี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้ามากแล้วก็จะรู้สึกลำคาญนหะงุดหงิดนะที่เวลามันผ่านไปช้าอย่างนั้นเลิกนับถอยหลังไม่ต้องไปนึกถึงวันออกพรรษาไม่ต้องนึกถึงวันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่ให้ดีที่สุดนะ ถ้ารู้สึกว่า ว, วันวันวันหนึ่งมันยังเคลื่อนคลอยช้าอยู่นะก็ให้นึกแต่ว่าเช้านี้เราจะทำให้ดีที่สุดนะไม่ต้องสนใจตอนบ่ายไม่ต้องสนใจตอนข้ามตอนเย็นนะถ้าเราวางอนาคตลงได้นะหรือว่าวางจุดหมายปลายทางข้างหน้าได้เนี่นะเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นนะและการบวชนะการปฏิบัติของเรานก็ เป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากการหยุดนะการเลิกเขาดาวนนับถอยหลังนะพยายามที่จะมาใส่ใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละวันอยู่กับแต่ละช่วงหรือแม้แต่อยู่กับแต่ละชั่วโมงทำให้มันดีนะสำหรับพระเนี่ยพยายามทำใจให้เป็นมิตรนะกับสถานที่กับกุฏิเสนาส น, นะนะ ของคนเนี่ยชอบหาชอบวิพากวิจารณ์นะชอบหาข้อด้อยข้อเสียก็จะมีข้อตําหนิว่ากุฏินี้กุฏิที่เราอยู่นี่มันไม่ดีไกลบ้างละรกบ้างล ะ, มะแมลงเยอะบ้างละ่ะนะเสร็จแล้วก็มักจะมองว่ากุฏิของคนอื่นเนี่ยเขาดีกว่าของเรานะโอกุฏนะิของเพื่อเรามาบวชที่หลัง ทำไมเขาได้กุติดีนะมันเป็นอย่างนี้นะคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่มีไม่เคยยินดีสิ่งที่ได้เท่าไหร่เพราะว่ามันชอบเปรียบเทียบแบบนี้แหละแล้วเวลาเปรียบเทียบก็จะมองเห็นแต่ด้านดีนะข้อดีของที่คนหนึ่งเขามนะีเหมือนกับหลายคนที่มักจะมองว่าลูกของตัวเองสู้ลูกคนอื่นไม่ได้นะลูกคนอื่นเขาดีกว่าลูกของเรา บางทีก็นึกไปถึงว่าแฟนคนอื่นดีกว่าแฟนของเรานะเพราะว่าตาที่สายตาที่ชอบหาเรื่องนะคือชอบนะชอบเปรียบเทียบแล้วก็มองนะแต่ส่วนดีของคนอื่นส่วนดีของสิ่งที่เรามีไม่ไม่สนใจลูกเราอาจจะมีข้อดีนะหลายอย่างแต่เรามักจะมองข้ามเพราะว่าเห็นจนชินนะ แฟนของคนอื่นก็เหมือนกันนะก็มักจะมาโอเคเขาเป็นแฟนของคนอื่นเขาหนินเขาเป็นแมนนะสุภาพอ่อนหวานเอาเอกอาใจแฟนเราไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยนะไอ้ที่เห็นอาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะผิดก็ได้แต่ที่มองข้ามไปคือว่าแฟนของเรากา็ก็มีดีหลายอย่างนะที่แฟนคนหนึ่งเขาไม่มีกันไอ้ตรงนี้มักจะไม่ค่อยมองนะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ยินดีไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้ ถ้าเอามุมมองเอาความคิดแบบนี้มามาใช้กับการอยู่วัดเนี่ยก็จะมีข้องุดหงงลําคัญใจนะเริ่มตั้งแต่การเห็นกุติของคนอื่นเ้าดีของเราลองปรับใจเชืใหม่ยนะแล้วก็มองว่าเออกุติของเราเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างนะไม่เอาไปเปรียบเที่บของคนอื่นเขานะมันมีข้อดีอย่างไรงนะแล้วทีละน้อยทีละน้อยเราก็จะเริ่มพอใจ นะแล้วก็จะเริ่มมีความสุขที่ได้อยู่กุตินะอาจจะเพระลรักกุตินั้นเลยได้ซ้ำนะพอเพรลรักแล้วเนี่ยก็อาจจะกลายว่าติดในกุตินะอันนี้ก็เป็นปัญหาแลนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะก็พยายามที่จะรู้เท่าทันความคิดที่ชอบวิภาวิจารที่ชอบตำหนินะไอ้สิ่งที่ตัวเองมีนะปลูกใจของเราให้ยินดีใน ให้พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นะแล้วพอเราเป็นมิตรกับสถานที่เป็นมิตรกับกุติเสนาสนะแล้วนะเราจะเริ่มเป็นมิตรกับตัวเองแล้วเราจะเริ่มเป็นมิตรกับตัวเองตอนนี้หลายคนเนี่ยยังเป็นมิตรกับตัวเองไม่ได้พออยู่กับตัวเองแล้วก็จะรู้สึกเหงาว้าเวรู้สึกกระสับกระส่ายนะใจมันมีแต่อยากจะดินน้นรนไปคุยกับคนนัน้นคุยกับคนนี้หรือว่าไปทำโน่นทานี่ อันนี้มันเป็นวิธีการหนีตัวเองนะที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ทันถ้าอยู่ในเมืองก็ไปเที่ยวห้างไปช้อปปิ้งนะหรือไม่ก็ไปคลุกคีตีมงกับคนนั่นคนนี้ไม่งั้นก็โทรศัพท์นะหรือว่าส่งจิตออกนอกไปเล่นไลนะ์เฟซบุ๊กที่ติดเนี่ยติดงอมแงมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทางที่จะหนีออกจากออกจากตัวเองได้อย่างเพลิดเพลิน คลั่งจะกลับมาอยู่กับตัวเองนะก็จะรู้สึกเหงาว้าวเวกระสับกระสายนะคนเดี่ยนี้อยู่กับตัวเองไม่ได้นะปากก็บอกว่ารักตัวเองรักตัวเองนะแต่ถ้ารักตัวเองเนี่ยนะมันก็ย่อมมีความสุขมีความยินดีที่ได้อยู่กับตัวเองเหมือนกับเรารักแฟนเราก็อยากอยู่กับแฟนคนที่รักรถก็อยากอยู่กับรถนะคนที่รักพักเครื่องก็ มีความสุขการอยู่พักเครื่องนะทั้งวันก็ยังได้นะแต่ไงเหตุฉะไหนจึงอยู่กับอยู่กับตัวเองไม่ได้ทั้งนั้นที่ปากบอว่ารักตัวเองนะคนเราถ้าไม่รู้จักรักตัวเองนะไม่รู้จักเป็นมิตรกับตัวเองเนะี่ยหาความสุขไม่ได้นะแม้จะมีคนมีเพื่อนมีมิตรมากมายจิตใจก็ยังรู้สึกอ้างว้างเหงา โดยเพราะเวลาอยู่คนเดียวเนะสร็จแล้วก็ต้องพยายามที่จะทำไงก็ได้นะที่จะไม่ต้องอยู่คนเดียวถ้าไม่หนีไปทำโน่นทำนี่ไปเที่ยวห้างไปดูหนังฟังเพลงก็อาจจะคิดอยากมีคู่นะนะหนุ่มสาวหลายคนอยากมีคู่เพราะว่าทนอยู่กับตัวไม่ได้เหตุผลนะที่รู้สึกคือมันเหงานะมันเหงา อยากจะมีคู่ยิ่งไงคนอื่นก็มีคู่กันยิ่งตัวเองก็อยากจะมีบ้างพอรู้สึกว่าถ้ามีคู่มันแสดงว่าเราเป็นคนมีค่ามีความสำคัญมีคนสนใจแล้วก็สิ่งที่ลึกมากไปกว่านั้นนะคือว่ามันทำให้เราไม่เหงานาะ ท, ทั้งที่คนที่เรา ม, มาเป็นคู่นี่นิสัยอาจจะเห็นแก่ตัวเจ้าชู้นะกิริยามารยาทก็ซามนะ แต่ว่าก็สลัดเข้าไปไม่ได้นะถูกเขาทำร้ายจิตใจถูกเขานะรังแกถูกเขานะหักหลังหนะลอกลวงนะก็ยังไม่ยอมทิ้งเข้าไปนะอันนี้ก็เจอบ่อยนะเจอบ่อยนี่หมายถึงว่าเขามาปรึกษาหาลือนะไม่ใช่หมายถึงคนรอบตัวนะอาจจะเป็นลูกของเพื่อนนะหรือว่าเป็นลูกของ พี่น้องเนี่ยบางคนก็บอกทำยังไงดีก็รู้นะผู้ชายเนี่ยมันเห็นมันเจ้าชู้นะแล้วก็มันไม่เห็นเราในสายตาแต่ก็ไม่อยากทิ้งเขาไปนะเพราะว่ากลัวเหงาเนี่ยอันนี้เป็นความคิดที่อันตรายมากเลยเนะเพราะว่าเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในก ร, ร ม, มือของคนซึ่งไม่ใช่เป็นอ่คนดีเท่าไหร่ เมื่อกิเราสวดนะมงค์ของเราสวดเนี่ยการครบการไม่คบคนพาณ น, นะการครบบัณฑิตหรือคนดีเนี่ยนะข้อนี้เป็นมงค์คอันสูงสุดนะถ้าเลือกคู่ไม่ดีนะอันนี้ก็ไม่ตางจากการไปคบคนพาณ น, นะและเหตุที่ไม่ใช่แค่เลือกนะแต่ว่าเอาตัวไปจมอยู่กับเขาเนี่ยเพราะว่ากลัวเหงานะียกลัวอยู่คนเดียวทนอยู่คนเดียวไม่ได้ มี่เป็นปัญหามากอันนี้เนี่ยการมาบวชภาสหรือการมาปฏิบัติธรรมนี่นะมันก็เป็นการนะที่จะนะเปิดโอกาสให้เรียนรู้วิธีที่จะกลับมาเป็นมิ ก, กับตัวเองแต่ก็อย่างที่บอกนะก่อนที่จะเป็นมิ ก, กับตัวเองได้นี่ก็ให้เป็นมิ ก, กับสิ่งแวดล้อมก่อนเป็นมิ ก, กับเสนาสนะเป็นมิ ก, กับกุติเป็นมิ ก, กับสิ่งแวดล้อมเป็นมิจกกับป่านะ พยายามทำใจให้เป็นมิตรให้กลมเกลืนกับป่านะแล้วจะพบของดีนะที่ป่านี้นะจะให้กับเรานะของดีที่ว่านี้ไม่ใช่อะไรอื่นหมายถึงความสงบนะความสงบสงบนะซึ่งเราอาจจะแสวงหาหรือเร า, อาจจะไม่เคยรู้แต่พอใจมันสัมผัสมันก็เลยรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่จิตใจเราต้องการ ของบางอย่างเนี่ยถ้าเราจะไม่เจอนะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะไอสิ่งที่พูดไปว่าฉันอยากได้อย่า ง, างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแค่จินตนาการนะมันมีคนที่เขาทํางานในวงการ อ, ออนไลน์หาคู่ทางออนไลน์หาคูนะ่ทางอินเทอร์เน็ตอะเดี๋ยวนี้มีคนนิยมหาคู่ทาง อ, อินเทอร์เน็ตเยอะมากนะ แล้วก็มีหลายคนเนี่ยก็จะเวลาจะหาคู่ก็ต้องบอกสเปคนะของคู่ที่ตัวเองอยากจะได้นะเช่นถ้าผู้ชายก็จะเลือกผู้หญิงผมบอนต า, าสีเขียวนะหรือว่ามีบุ ค, คลิกนิสัยแบบนี้นะอาจจะบอกอระบุไปว่านะส่วนสูงเท่าไหร่นะผิวสีอะไร นะเพื่อที่เขาจะได้ไปหาคนที่มีบุคลิกลักษณะตรงกับความต้องการแต่สุดท้ายเนี่ยพวกที่หาคู่ทางออนไลน์เนี่ยนะคู่ที่ได้จริงๆเนี่ยแล้วก็อยู่กันยืดเนี่ยนะมันไม่ใช่คู่ที่ตัวเองเนี่ยระบุไว้นะในสเปคเลยนะเพราะว่าพอไปเจอบางคนนะที่แม้ว่าจะไม่ มีบุ ค, คลิกลักษณะตรงตามสเปคแต่พอเห็นแล้วมันปิงเลยเราก็รู้ว่าใช่แน่พอเห็นของจริงถึงจะรู้ว่าอ๋อนเนี่ยคือคนที่เราต้องการเนี่ยคือคนที่เราปรารถนาไอ้ที่เขียนไว้ในสเปคเนี่ยนะมันเป็นจินตนาการอันนี้เป็นข้อสังเกตเป็นข้อสรุปนะของคนที่เขาเป็นพวกคล้ายๆเป็นผู้แอดมินนะไอหาคู่ทางออนไลน์นะนะเนี่ยก็เพราะว่า คนที่ได้คู่จริงๆเนี่ยนะมันไม่ใช่มันไม่ได้ตรงกับสเปคที่ระบุไว้เลยนะมัแปลว่ามัาแปลว่าคนเราเนี่ยจะรู้ว่าใช่เนี่ยก็ต้องเมื่อได้เจอจริงๆนะไม่ใช่คิดเอาบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้นะไม่ได้คิดนะว่าเราเนี่ยปรารถนาความสงบนะอาจจะคิดว่าอยากได้อย่างงนอยากได้อย่างนี้ได้ความสําเร็จนะได้ความสนุกสนานนะ แต่พอมาเจอความสงบข้าโอ้ใช่เลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการหลายคนมาที่มาที่นี่จะพบนะความจริงข้อนี้นะว่าโอ้เนี่ยคือสิ่งต้องการไ อ, ไอตอนที่ยังไม่เจอเนี่ยมันไม่รู้นะแต่ครนี้จะเจอได้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะก็ต้องรู้จักนะวางใจให้ดีใจใอยู่กับปัจจุบันนะหยุดหยุดนับถอยหลังนะไม่ต้องไปคิดกังวลถึงอนาคต นะไม่ต้องรีบให้วันศึกวันออกพรรษามันมาถึงไวๆหรือว่าไม่ต้องนึกให้วันจบคอสนี่มาไวๆนะเป็นมิตรกับสถานที่เป็นมิตรกับวิถีชีวิตนะถึงแม้ว่ามันจะชีวิต ท, ที่นี่อาจจะไม่สะดวกสบายนักนะแต่ความไม่สะดวกสบายนี่เป็นของดีนะบางทีความสะดวกสบายต่างหากที่มันมีโทษเป็นอันตราย เมื่อสองอธิก่อนเนี่ยนัพาฝรั่งเนี่ยนักศึกษาปริญญาโทชาวอเมริกันเนี่ยไปปลีกวิเวกบนบนเขาในป่าที่ชื่อว่าภูกลางนะภูกลางก็อยู่ระหว่างสุกโตกับภูหลงเนี่ยมีป่าประมาณพันไร่ก็พาฝรั่งก็ไปหย่อนตามจุดต่างๆนะพวกนี้นี่เขากลัวยุงนะเขากลัวมแมลงกลัวสารพัดนะแต่เขาก็อยากจะลองดูนะ ว่าจะไปอยู่ในป่าคนเดียวห่างไกลจากพืชเพื่อนี่จะเป็นยางไรแล้วก็ระหว่างที่ไปหย่อนคนตามจุดต่างๆนี่ก็ไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นกระบอกต้นกระบกนี่ใหญ่สังเกตว่ารอบๆต้นกระบกเนี่ยมันเรียบมันไม่มีใบไม้เลยแปลว่าอะไรแปลว่ามีคนเนี่ยกวาดใบไม้รอบโคนต้นกระบกแล้วต้นไม้นี้ก็ไปกองเป็นพูนอยู่รอบๆ คล้ายๆเป็นพูล ด, ดินอยู่รอบๆต้นกระบอกนะก็แปลกใจทำไมมันทำไมมีคนไปทำอะไรอย่างนั้นก็มีคนชี้ให้ดูนะมีคนชี้ดูว่าไอทางที่เรียบๆเนี่ยนะมันจะมีทางออกทางออกอยู่ระหว่างพูล ด, ดินแต่ทางออกนั้นเนี่ยมันมีกับดักวางไว้อยู่นะเขาเรียกว่าแล้วนะ ชอบบ้านหรือพรานเนี่ยเขาวางแล้วเอาไว้นะถามว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นก็บอกก็ได้คำตอบว่าต้นกระบกเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์เช่นตะกวดบ้างกระรอกบ้างกระแตะบ้างหรือหรือวพวกพวก อ, อีเหตุนั่นนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันชอบทางเรียบเรียบมันชอบทางเรียบเรียบทางที่รกๆเนี่ยมีต้นมีใบไม้เนี่ยมันไม่ชอบเดินนะยิ่งเป็นทางสูงมีพูลดินมันไม่เดิ น, มนไม่แตะ มันจะไปทางเรียบพรานก็รู้นิสายนี่ก็เลยทำทางเรียบๆ เ, เอาไว้แต่ทางเรียบนี่มันไปออกตรงตรงแล้วนะถ้าเอาหัวโผล่เข้าไปเนี่ยก็จะติดแล้วทันทนะีแล้วมันก็เชื่อมันก็จะมัดคอรหรือมัดตัวนะก็ตายนะไอ้ทางเรียบนี่นะมันเป็นสิ่งที่สัตว์ชอบนะแต่ว่ามันเป็นอันตรายนะเพราะว่ากับดักของพรานนี่รอยอยู่ แต่ว่าไปคนเราก็ไม่ต่างจากสัตว์เหล่านี้นะชอบทางเรียบชอบความสะดวกสบายเพียงแต่ว่ากับดักเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากพรานแต่มันเกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่ามาร น, น, นะมารนเนี่ยมันคอยพยายามล่อลอกคนเนี่ยให้ไปติด ก, กับดักมารในที่ไม่ได้ไหมายถึงพยายามารที่เป็นเทพหรือเทวดานในสวรรคนะ์อันนั้นก็เรียกว่าเทวปุตร์มานมันมีมาหลายชนิดนะ เช่นขันธมารได้แก่ความเจ็บความป่วยนะมัจจุมารได้แก่ความตายที่เรียกว่า ม, มารก็เพราะว่ามันตัวเป็นตัวขัดขวางเป็นอุปสรรคในการทําความดีนะมันมีอุปสรรคขัดขวางในการทําความดีนะที่ทําให้คนเราเนี่ยนะหลงติดนะเพราะอะไรเพราะความสะดวกสบายนี่แหละนะคนสมัยนี้เนี่ยชอบความสะดวกสบาย และชื่อสมัยนี้มันก็สดวกสบายง่ายเหลือเกินนะเช่นจะนอนตื่นกี่โมงก็ได้นะตื่นขึ้นมาไม่ต้องไปทำมาหากินก็ได้นะเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารนะมาประกันถึงที่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินไปซื้ออาหารไม่ต้องทําอาหารแล้วแค่สั่งซื้ออาหารทางออนไลน์หรือเดลิเวอรี่โทรศัพท์เนี่ยก็จะมาคนสมัยนี้อยู่ได้อย่างสบายโดยที่แทบจะไม่ต้อง ใช้แรงไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องเดินเลยก็ได้นะีอันนี้คือความสะดวกสบายที่ใครๆก็ชอบะเด็กยิ่งชอบใหญ่วันๆนี่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี่ก็เอาแต่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์หรือแม่ก็อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่หน้าจอโทรศัพท์นะมันเป็นชีวิตที่สะดวกสบายมากใครๆก็ชอบแต่ว่าเป็นชีวิตที่เสี่ยงเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยอันตรายเพราะว่าทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะเด๋ยนนี้มีโรค ที่เกิดจากความสะดวกสบายเยอะมากนะโรคหัวใจโรคความดันโ ร, โรคสโตรกว์โรคหลอดเลือดสมองที่ทําให้เส้นเลือดในสมองอุดตันต้นสมองตายหรือว่าหัวใจเส้นเลืหัวใจตีบไอ้พวกนี้เนะี่ยมันเริ่มแต่เกิดจากชีวิตที่สะดวกสบายซึ่งผู้คนสแสวงหางกับทั้งนั้นนะหลายคนที่มาบวชนี่ก็คุ้นเคยกับชีวิตแบบนี้นะเวลามาก็เลยรู้สึกว่าการตื่นเช้านี่มันเป็นเรื่องทรมานเป็นเรื่องยุ่งยากตื่นตีสาม แถมไม่ต้องไปบินธบาตต้องไปเดินนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันมันเป็นประโยชน์นะมันไม่มีโทษไอ้ที่สะดวกสบายต่างหาที่มันเต็มไปด้วยโทษพอเจ็ป่วยเข้าเนี่ยก็ทําแล้วไม่ค่อยได้นะจะเลี้ยงดูครอบครัวก็เลี้ยงไม่ได้จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ทําไม่ได้สิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขังทางการทําความดีเนี่ยนะก็เรียกว่ามาอย่างที่บอกนะแล้วถ้าเจ็บป่วยเพราะตนทําความดีอะไรไม่ได้เลยเนี่ย อันนี้เราเจอตกอยู่ในกับดักของขันธมาร น, นะบางที่หนักกว่านั้นนะเจอมัจุมานเขาขคือความตายนะสบายทียนี้การขับรถสมัยนี้มันสบายนะเส้นทางถนนนี่ก็สะดวกสบายที่ถ้ามาไฟหวานเนี่ยแต่ก่อนสมัยที่ยังเป็นทางลูกลังหรือเป็นทางดินเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีอุบัติเหตุนะ แต่พอทำถนนนะเทปูรลาดยางเขา้าช่วงสงการปีใหม่เนี่ยก็จะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งบางทีก็ถึงตายรถมอเตอร์ไซค์แหกโคง้งไปชนสาไฟฟ้าเนี่ยพราะขับด้วยความเร็วสูงขับได้เพราะอะไรเพราะทางมันดีนะไอ้แค่นั้นไม่พอนะยังสาเหตุประการอื่ก็กินเหล้าและเราสมัยนี้มันหาง่ายเดี๋ยวนี้เนี่ย คนไทยเราเนี่ยไม่ว่าอยู่จุดไหนของประเทศเนี่ยนะสามารถจะเข้าถึงเหล้าได้ภายในเวลาห้านาทีแต่ก่อนเจนาทีนะเดี๋ยวนี้มันเร็วกว่าเดิมนะสบายมากเลยเนยหาซื้อเหล้านะขี่มอเตอร์ไซค์ไปห้านาทีก็ได้เหล้ากินละไอความสะกสบายเนี่ยมันพามันทำให้เราเนี่ยเข้าถึงอบายมุกได้ง่ายนะก็เรียกว่าตกอยู่ในกับดักของกิเลสมารนะนะอบายมุกนี่ไม่ใช่แค่เหล้านะ มันรวมมาถึงการพ น, นันนะเดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็สบายเนี่ยนะสามารถที่จะ เ, เล่นการพ น, นันได้ทางออนไลน์ไอ้ความสบายที่เกิดจากเทคโนโลยีเนี่ยแทนที่มันจะเอื้อให้เราเนี่ยมีวิชาความรู้มีสติปัญญาเพิ่มบูนขึ้นมันกลับเป็นทางล่อให้เราหลงเข้าไปตกกับดักของอบายมุกนอย่างต่มๆก็เป็นเหยื่อของกิเลสสมาน แต่ว่าจะหนักว่านั้นคือเป็นเหยื่อของมัจจุมารก็คือพอกินเหล้าแล้วทางสะดวกทางาดีขับรถได้เร็วก็ตายนะอายุแค่ยี่สิบสิบเก้าก็ตายนะไม่ทันจะได้ทาความดีไม่ทันจะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ตายซะและ้วอันนี้เรียกว่าเป็นเหยื่อของมัจจุมาล น, นะลองสังเกตดูในชีวิตเนี่ยไอความสะดวกสบายเนี่ยนะ มันล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางนะที่ล่อให้เราตกไปเป็นเหยื่อนะตกอยู่ในกับดักของมาร น, นะไม่ว่าจะเป็นกิเลสมานขันธ์มารมตุมารทั้งสิน้นแล้วคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยตระหนักนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเชื่ชูในความสะดสบายเนี่ยนะพอมาอยู่วัดเนี่ยมันเกิดอาการต่อต้านขัดขืนนะไอ้กิเลสสมาน ก, ก็จะพยายามบอกว่าเอ้ยนะหาข้ออ้าง่า ทำยังไงนะเราจะาเราจะามีเหตุให้นะไปเที่ยวบ้านหรือว่ามีเหตุให้มีข้ออ้างในการที่จะศึกนะไม่อยากบวชอยากจะศึกนะอยากจะไปหาความสุขสนานความสบายแล้เพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีฉันทานนะเวลามาอยู่วัดนะต้องมาเจอความลาบากแทนที่จะเกิดเห็นว่าเออความลาบากมีประโยชน์นะ ถ้าเห็นว่าความระบามีประโยชน์เนี่ยมันทาให้เราเกิดฉันทะตื่นสะตื่นเช้ายังไงถึงแม้ไม่คุ้นแต่ก็จะพยายามจะทำความเพียร น, นะหรือว่าถึงแม้จะอยู่ในกุฏิที่ภาคที่มันไม่สุดวสบายแต่ว่าก็มีฉันทะที่จะอยู่นะยินดีที่จะฝึกให้เป็นมิกรสิงแวดล้อมกับธรรมชาติรวมทั้งเวลาปฏิบัติมันก็ไม่มีฉันทะนะรู้สึกว่ามัน ไม่ไม่เหมือนกับการไปเที่ยวการไปสนุกสนานนะแต่เท่าเราเห็นว่าการปฏิบัติแม้มันจะลําบากนะมันเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นที่จริงมันไม่ลําบากเลยนะก็แค่นั่งยกมือแค่เดินตรงกลมนะไอทํางานเนี่ยยังเหนื่อยกว่าอีกนะต้องไปขายของนะเสี่ยงนะต้องเกิดความเครียดความกังวลนะให้การปฏิบัตินี่มันไม่ได้มันไม่ได้เหนื่อยยากอะไรเลยแต่ว่าในความรู้สึกพอมีการเปรียบเทียบก็รูว่มันยากมันทรมานมันลําบาก คนเรานี่ถ้าไม่เห็นไม่เห็นโทษของความสบายแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ของความลำบากเนี่ยมันไม่มีฉันทะนะในการที่จะมาปฏิบัตินะหรือว่ามาใช้ชีวิตในสถานที่แบบนี้แต่ถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะพยายามปลูกใจให้มีฉันทะนะแม้ว่าเราจะไม่คุ้นไม่เคยนะแต่ว่ามันก็จะเกิดความเพียร น, นะยิ่งเราตั้งเกตทิฐิฐานไปอย่างเมื่อเช้านี่ว่าเราจ ะ, ะตั้งใจแน่วแน่อ ย, อยู่ให้ครบถ้วนอะ สามเดือนในวัดนี้นะแล้วก็จะไม่ใช่อแค่อยู่เฉยๆอยู่เปล่าๆอยู่ไปวันๆหายใจลดทิ้งไปวันๆก็ตั้งใจปฏิบัติด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดความเพียรพยายามขึ้นมาจากฉันท่าก็นําไปสู่วิริยะคือความเพียรแล้วต่อไปจิต ก, ก็จดจดจ่อนะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัตินะไม่ให้ไม่ให้วกแวกไม่ให้ อ, หอะละทิ้งกลางคัน ความสําเร็จนะจากการาบวชจากการปฏิบัติมันก็จะเกิดขึ้นและมันจะทำให้เราพร้อมที่จะไต่ตรองใคร่ควรเรียนรู้นะเพื่อทําให้ชีวิตการบวชของเราการปฏิบัติของเรามันจเจริญ ง, งอกงามมากขึ้นอันนี้ก็เรามีวิมังสาครูบาจาหรือพี่เลี้ยงอ่าอาจจะติดติงทักท้วงเพราะว่าเราเผลอทําตามความเคยชินอ่าเราก็ไม่โกรธเพราะว่ารู้ว่า หรือตระหนักว่าคําทักท้วงนั้นมันทําให้เราปรับปรุงตัวเองไอ้ที่ไม่โกรวเพราะอะไรเพราะมีวิมังษาวิมังษาแปล ว, ว่าความใคร่ควรอยากจะทำให้ให้ดีนะไม่ใช่ให้เสร็จเฉยแต่ทําให้ดีเมื่อใหญ่ทําทให้ดีเนี่ยเช่นการบว่อของเราการปฏิบัติของเราใหญ่ทำให้ดีก็อยากจะก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขมีใครมาชี้แนะก็ถือว่าเขามาชี้คุมทรับนะนั่นก็ช่วยทําให้การ ปฏิบัติหรือการอยู่นะไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นแม่ชีเนี่ยก็จะอยู่อย่างมีความหมายมีคุณค่าแล้วก็มีความสุขนะแล้วก็จะพบกับสิ่งที่เราอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ได้นะอะนี่ก็อ่าก็ฝากเอาไว้นะสำหรับเป็นข้อพิจารณาในการที่จะอ่ามาใช้ชิตในพัรษานี่ให้มีประโยชน์